อนุตตรังอภิสัมบูทิงสัมบุตริตวะทัฏฐะกัตถนปะทมังยังอเดนเสสิธรมมะจักกังอนุตตรัง สัมเดวะภาวันเตนโตโลเกอปติวัตติยังยัตถาคาตาอุโพันตาปตาในปัตติจมัดจิมานจตุวสวาริยสัวเจสุ วิสุทธังยานาันสนังเด่นสิตังธรรมราญเชนะสัมมาสัมบธิคตตนังนาเมนาวิทสุตตังสุตตังธรรมจักกับวัตต น, นง เวียากันปานเทนะสังเกตตามผันามาเส